วันนี้นะเป็นวันประชุมของพวกเราวันหนึ่งทั้งที่ขาดไปหลายวันภาร ก, กิจอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีความจำเป็นและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นผลดีนักว่าเป็นผู้โชคดีพวกนิสิตต้องสองรุ่นยังไม่ได้เคยไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ไกลเหมือนกับนิสิต รุ่นนี้ว่ากันที่สิทธิ์รุ่นปี50เนี่ยได้ไปร่วมงานทำบุญเจดีของคุณแม่ชีแก้วเสียงลำจังหวัดมุกดาหารไปทั้งทีมและก็พร้อมกันก็ได้ไปกราบเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่จามหลวงปู่ล่าและก็พผาน้ำย้อยไปเห็นหลายแห่งแล้วก็พวกท่านทั้งหลายที่เข้า กำลังเป็นเด็กเป็นนิสิตนักศึกษาหาโอกาสที่จะออกมาดูในสถานที่ก็คงจะหาโอกาสระยากแต่ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสแต่ผมเองไม่เคยที่จะให้นิสิตนักศึกษาไปดูอย่างนั้นแต่คราวนี้จำเป็นกระเป็นก็คืออย่างไรก็คือเป็น วันครบรอบที่ได้กำหนดกันเอาไว้ว่าจะจัดงานวันครบรอบคุณแม่ชีแก้วประจาปีก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เป็นงานที่เรียบร้อยตลอดถึงผมเองก็ได้ไปมอบห้องแลบโรงพยาบาลอำเภอคาชะอีแต่นี้เป็นสถานที่แคบก็ไม่ได้เอาพวกท่านไปด้วยแต่ก็ได้ออไปมอบอาคารเรียน อำเภอหัวดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเห็นไหมพี่น้องประชาชนเขาพออกพอใจที่เราไปสร้างอาคารเรียนให้แก่เขานี่แหละการช่วยเหลือชุมชนและสังคมเป็นที่ยกย่องเชิดชายแต่ผมเองผมก็ไม่ได้ปรารถนาอยากจะให้เขายกย่องอย่างนั้นแต่นี้เมื่อเราไปสร้างไปทําให้แล้วมันก็เป็นไปเองเราก็ได้ทําให้สร้างให้เขาจริงๆอย่างที่ พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเขาเองก็พออบพอใจที่ได้อาคารให้แก่ชุมชนสังคมของเขาอาคารหลังนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็คงอยู่ๆเป็นร้อยปีผมว่านะเพราะเหตุไรเพราะการก่อสร้างทำอย่างแข็งขันใช้วัสดุอย่างดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อ น, นี้ไปก็คงจะภารกิจ ที่จะต้องทายืดยาวนานก็คงจะไม่มีแต่ก็คงจะมีอยู่บ้างไปเป็นบางครั้งบางวันในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละหัวหน้าวัดก็ต้องรับผิด ช, ชอบไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ลาพังก็ต้องอาศัยหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะไม่ว่าอยู่ในกลุ่มหมู่คณะไหนอย่างพวกท่านทั้งหลายเป็นหมอก็ต้องอาศัยกลุ่มของหมอ เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยกลุ่มครูบาอาจารย์เป็นตำรวจทหารพิพากษาอายาการทุกหมู่ทุกเหล่าพี่น้องประชาชนบริษัทห้ทางร้านก็ต้องอาศัยกลุ่มหมู่ของเขาเป็นอยู่อันนี้ฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นกลุ่มของพระสงฆ์จะรักษากฎระเบียบอย่างไรที่ให้จะอยู่ได้นานแล้วก็เป็นศีลเป็นธรรมรักษากฎระเบียบแบบไม่มีอีกคุณธรรมไม่มีคุณภาพ ไม่ใช่อย่างนั้นการรักษาก็คือรักษาศินอยู่ในกรอบการเป็นอยู่ร่วมกันเป็นการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจไปเห็นซึ่งกันและกันถ้าว่าสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรที่จะต้องคิดต้องพูดต้องทำก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะการเป็นอยู่ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกัน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์ที่ไปทั้งหมดร้อยกว่ารูปอันนี้อย่างน้อยนะเมื่อเปิดเจดีคุณแม่พระสงฆ์เกือบเป็นพันนั่งเต็มไปหมดไปลวด ก, กี่แถวตัวกี่แถวอันนี้ก็น่าประน้อยพระสงฆ์แต่ขนาดด้านพวกเราเห็นเราก็ยังหนาหนาตาวกันเถอะแต่ลอดถึงพี่น้องประชาชนที่มาตักบาทกับพวกเราท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเข้ามาด้วยศรัทธา อยากจะทําบุญเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ดูๆแล้วก็หน้าพลื้มเปรติของผู้ที่หวังบุญหวังกุศลนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เพื่อมาศึกษาศึกษาหาความรู้ศึกษาทุกด้านตามแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวและสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องอะไร พระพุทธเจ้าทําไมท่านจึงออกบวชการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเป็นอยู่ของเราถึงพวกเราจะว่ามีความสุขสนุกสบายมีเงินคําทรัพย์สมบัติยศธารรดาศักดิกส์สูงส่ขนาดไหนแต่ถ้าว่ามาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเราแล้วต่างจากพวกเราตั้งมากมายอย่างในหลวงของเราก็เหมือนกันเมื่อปี2499พระองค์ท่านก็บวชอยู่ที่วัดบวร บวชในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เข้ามาบวชตอ้องระลึกถึงในหลวงของเราที่ตั้นเป็นมหากษัตริย์ท่านก็นยังเสียสละทำไมอยู่อย่างนั้นอยู่กับวัดวาศาสนาเพื่อศึกษาแต่พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาอย่าเป็นคนอ่อนแอไม่ได้ไม่ถูกต้องต้องเข้มแข็ง ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะไปยังไงเราก็ควรจะไปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในขณะที่เราบวชให้เข้มแข็งที่สุดในขณะที่เราบวชไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็ทำให้กฎระเบียบเขาเสียหายไปเป็นทหารก็เป็นทหารเกเรเป็นทหารนอกแถวไปเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจนอกแถวเพราะตัวเองไม่ได้เรื่อง แต่ไปเป็นหมอก็เป็นหมอนอกแถวไม่ได้อยู่ในแถวของหมอเป็นพระเขาเป็นพระนอกแถวไม่ได้อยู่ตามกฎระเบียบของพระที่ท่านบัญญัติเอาไว้เราจะถือว่าเราเป็นคนประเภทเช่นไรให้ถามตัวของเราถ้าคนอื่นถามก็จะโมโหให้เขาถ้าว่าตัวเองถามตัวเองหรือจะมีปัญญาถามหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันไปตามกิเลส เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่เขามาบวชในพุทธศาสนาที่เนีมาบวชในครั้งนี้ให้เข้มแข็งผมไม่ให้อ่อนแอให้เข้มแข็งให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาแนวศึกษามีต่างเยอะแยะมีหนังสือมีธรรมะแต่ผมเองผมแนะนําพูดหลายครั้งต่อหลายหนอยากจะให้หมู่ศึกษาในภาคปฏิบัติมากกว่ามากกว่าศึกษาอย่างอื่น การอ่านตำรับตำรานั้นเหมือนกับดูแผนที่แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ก้าวเดินพวกเราก็สงสัยในแผนที่นั้นแต่ถ้าว่าพวกเราลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อเมื่อผมสอนว่าพวกเราทุกองให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัติวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้นั้นท่านตัดรู้ท่านทํำยังไงอันนี้ผมก็ได้พูดว่าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่ที่โครนต้นโพเมื่อวันเดือน6เพนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ได้นั่งเสือนั่งศาดต์นั่งหมอนนั่งที่ลาบเรียบอะไรนั่งที่โครนต้นโพนายโสธยะนำาญาคามาถวาย8กำมือมามอบใหพ้พระสิทธะศิทธะก็ได้ยญาคา8ดกำมือคงจะเป็นยญาคาสดเขียวนะ ก็มาเกลียยลงที่โคนต้นโพเราก็รู้อยู่แล้วต้นโพเห็นไหมเหตที่เราเดินไปบินท บ, บาทหรือว่าเรานั่งรถไปที่วัดคุณแม่ยนะก่อนจะถึงทุ่งนาไนงะมันลากมันโผล่ยังไงเหตุากมันลอยขึ้นมาต้นโพมันเป็นอย่างนั้นแ่ะเหตต้นโพเมืองอินเดียก็เหมือนกันนะมันโพขึ้นมันมันลอยขึ้นมาลากมันลอยขึ้นมาพระพุทธองค์ท่านก็คงจะเลือกหามุม หาเลือกตรงลากที่มันเรียบราบพอสมควรจากนั้นท่านก็เอายาคาเกลี่ยลงไปเป็นอาสนะยาคา8ดกำมือคงจะเฉพาะที่นั่งของท่านจากนั้นท่านก็ขึ้นนั่งที่บนยาคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าคือไม่ให้คิดกระซับกระสายคิดปุ่มฟุ้งซ่านไปทางอื่นให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้วหายใจเข้าหายใจออ ก, กรู้ว่าหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรายึดตามแนวแถวนี้จะไปยึดอย่างอื่นแต่พ่อแม่ผูบายจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มันทันว่าถ้ากําหนดลมหายใจออกเข้าออกเฉย มันยังมีช่องว่างที่ทําให้จิตของเราเร็ดลอดออกไปสู่อารมณ์อื่นได้อีกท่านจึงสำทับให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีสติในลมหายใจเข้าและกั บ, บริกรรมพร้อมกับพุทธโทด้วยนี่แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปสู่ญาณทัศน์ส่วนอื่น นี่แหละวิธีการทําให้พวกเราถือเอาไว้ยึดเอาไว้ฟังเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ณสถานที่นี่เราไปอยู่ณสถานที่ใดในบริเวณที่เรากลับไปกุฏิของเราพยายามนั่งสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ที่พวกเรานั่งอยู่บนศาลานี่ใกล้เข้าบอกกันเรียนกันเพื่อศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งเป็นกลุ่มเป็นคณะแต่าการนั่งเป็นกลุ่มเป็นคณะ ไม่ใช่กฎระเบียบของครูบาจารย์สายหลวงปู่มันสายหลวงปู่มั่นท่านต้องปีกกลีกตัวอยู่โคลนต้นไม้บงังอยู่ในที่จ้างแจ้งรองฟางอยู่ในที่ถ้ำเงื้อมผาอยู่ตามลําพังไม่ให้มีใครเห็นเลยการนั่งสมาธินั่งให้ตัวตรงจากนั้นกับบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอด่ะเพราะฉนั้นให้พวกเราเข้ามาในในครั้งนี้ให้มาศึกษาและการลงมือปฏิบัติด้วย ถ้าว่าพวกเราลงมือปฏิบัติอย่างนี้ทําได้อย่างนี้ปฏิบัติสม่ําเสมอแล้วการปฏิบัติของเรานั้นจะเห็นผลจะเห็นผลอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาส่วนเรื่องการศึกษาอย่างอื่นการศึกษาคือเราดูหนังสือบ้างฟังเทปบ้างโดยทั่วะฟังเทปในยังปฏิบัติได้แต่การดูหนังสือนั้นพวกเราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อศึกษาแผนที่ ศึกษาแผนที่ปฏิบัติอย่างไรตามแนวแถวของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือวิธีการปฏิบัติสรุปแล้วก็คือดูแผนที่ถามว่าพวกเราดูแต่แผนที่ไม่ลงลงมือปฏิบัติไม่ได้กําหนดลมหายใจเข้าออกไม่ได้ภาวนามีแต่ดูอ่านหนังสือดูแต่แผนที่ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราอ่านมากๆเราก็สงสัยในแผนที่นั่นอีก เอแผนที่นี่พูดจริงหรือเปล่านะจะสงสัยอย่างนั้นไปอีกเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ริมรถสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าสมาธิจิตใจสงบเป็นอย่างไรคณิกะสมาธิเป็นยังไงอุปจารสมาธิเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นยังไงในเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเมื่อจิตอิ่มตัวแล้วหรือว่าจิต ถอนตัวขึ้นมาแล้วนําไปพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้ก็คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายก็ว่าสมาธิจิตสงบในระดับหนึ่งตะกอนกจิตของเราปุงฟุ้งซ่านพวกเราคิดดูก็แล้วกันพวกเรามาอยู่ในสถานที่นี้เราคิด่วงหาอะไร ค, คิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดถึงกิจการงานคิดถึง เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องพักเรื่องพวกเรื่องเที่ยวเรื่องเตเรเรื่องจีปาถะนับไม่ถ้วนแล้วพวกเราเป็นยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ในปุงฟุ้งอย่างนั้นผมเองผมว่าพวกท่านท้งหลายปุงฟุ้งมากๆพวกท่านจะปวดหัวเออเป็นทุกข์หัวใจจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจว่าเหวอ้างว่างเหี่ยวเหงาซึมเศร้าเออลักษณะต่อไปก็ผลที่สุดเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็เศร้าซึมซึมเศร้าแล้วท่านนี่ ลักษณะซึมเศร้านั่งแบบไร้สติไร้ปัญญาเพราะสู้ความคิดของตนเองไม่ได้อันนี้แปลว่าเอาชนะใจตนเองไม่ได้ถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็าตามถ้าคิดปุงผุงมากๆอย่างนั้นแล้วมีแต่เสียหายไม่เป็นผล้นดีสำหรับตัวเองถ้าคนที่ปรับปรุงใจใจของตนเองได้แล้วเราต้องอ่านให้ออกว่า ขณะนี้เราควรทำอย่างไรขณะนี้เราควรทำหน้าที่อย่างไรขณะนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรต้องอ่านกาละเทสะให้ออกแต่ถ้าพวกเราอ่านกาลเทศาไม่ออกเวลาปฏิบัติคนไข้อยากจะไปเที่ยวเวลาเงินหมดแล้วอยากจะมาทำงานหมอผลที่สุดก็เลยหาความเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เมื่อเราเป็นอาจารย์ก็อยากจะไปเที่ยว พอไปเที่ยวหมดแล้วเดี๋ยวจะมาสอนเป็นอาจารย์อย่างนั้นมันจะได้เหรอก็ต่างกลัมต่างวาละขณะนี้เรามีหน้าที่อะไรในมีหน้าที่หมอในขณะที่เราอยู่เวรอยู่ยามเราเข้าห้อ ง, อ ง, อ ง, องดูแลคนไข้เข้าห้องผ่าตัดเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราทําในเมื่อเราทําจบไปแล้วเนี่ยค่อยว่ากันดีอันนี้ก็เหมือนกันขณะนี้ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เขาก็รู้ว่าเรามาบวชเรามาบวชเพียงเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วกี่วันในขณะที่กี่วันนั้นเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราบวชศึกษาหลักธรรมะปฏิบัติให้ดีที่สุดตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนําหรือ บ, บอกกล่าวอย่างพวกผมบอกเมื่อกี้นะี่ให้นั่งสมาธิอย่างเนี้ยให้กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ ให้มีสติกับตัวเองอย่างคือบังคับให้จิตหรือให้สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงขนาดเราพูดอย่างนั้นไปเลยล่ะถ้าเราเอายังไงก็ได้มันอาจจะตะเลทลา่วันหนึ่งอาจจะได้สองสาพุโทโธตัวนึงมันก็าหายเข้ากีบเมฆไปขนาดบอกว่าให้ได้24ชั่วโมงได้สักสิซ็ก็นับว่าดีหรือหเปเซก็ยังดีถ้าหากว่าบอกว่าเอาตามสบาย สบาภาวนาตามอัธยาศัยจะได้พุโทโธสองสามครั้งอาจจะเข้ากีบเมกไปก็ได้เพราะนั้นจะว่าให้เอาชุดตรงไว้ก่อนให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานขนาดพูดขนาดนั้นจะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักหน้าที่ว่าขณะนี้เราเ้ามาบวชเข้ามาศึกษาเป็นพระกรรมฐาน ศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาอยู่ป่าอย่างนี้เราจะมานั่งจุกนั่งเจา้านั่งคิดถึงบ้านนั่งห้อยเหงาเศร้าซึมมันไม่ถูกถึงเราไปอยู่นสถานที่ใดก็ตามนิสัยตัวนี้มันจะเข้ามาขี่เยียบย่ําหัวใจเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขถ้าเราเอาชนะมันแล้วไปอยู่นสถานที่ใดเมื่อเมื่อเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เราเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีได้เพราะเราจิตใจของเราเข้มแข็งถ้าจิตใจของเราไม่มีหลักเป็นปักไม้ปักขี้เลนแล้วล้มซ้ายล้มหลมขวาลมมาในทิศทั้งสี่กระเปไปเปมาอย่างนั้นแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้เป็นตัวอย่างของลูกไม่ได้เป็นตัวอย่างของหัวหน้าครอบครัวไม่ได้เพราะนั้นพวกเราต้องฝึกหัดให้จิตใจเข้มแข็ง ให้หนักแน่นถ้าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วด้วยเหตุผลแล้วต้องเดินตามนั้นจะปีกแวะไปทางอื่นถ้าว่าพวกเราเดินไปทางอื่นปีกแวะไปทางอื่นเหมือนกับไม้ปักขี้เลนเขาว่ายังไงก็ว่าไปตาม อ, อยู่ตามลำพังก็ง่อยเหงาเศร้าซึมจากนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ควรจะมีสำหรับพวกเราที่เกิดมาในภพพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้เข้มแข็ง เห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์หนีไปอยู่ป่าถึง6ปีท่านเอาอยัางไงพวกเรามาอยู่เพียงแค่นี้อ่อนแอปวกเปียกไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สายหลงปู่มั่นเข้มแข็งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่พวกท่านทั้งหลาย ร, รู้ไหมว่าประวัติของผมนู่ น, นอยู่มุกดาหารอย่างพวกเราท่านไปเห็นไกลไหมนั่งรถไปกี่ชั่วโมง บ้านของผมก็อยู่ตีนเขาภูเจ้ากอตีนเขาภูเจ้ากอดที่พวกท่านเคยไปกลับหลวงปูล่ลานั่นแหะเป็นที่อยู่ของผมแต่สมัยก่อนไม่มีถนนหนทางามีถนนทางแคบๆปีนป่ายขึ้นไปไปอยู่บนยอดเขาอายุผมสิบเ1็ปีเท่านั้นเองไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นสามนเณรทั้ง8ปีอยู่ภูเจกอดแห่งนั้นอยู่พระองค์หลวงปู่หลาสององค์เท่านั้นนี่แหละชีวิตของผมเป็นอย่างนั้นแหละถ้าจะว่าแปลงแกลงพอสมควรนะ ผมนึกย้อนหลังของผมผมว่โอ้โหผมสู้อย่างสุดๆเหมือนกันแต่ผมเสียใจไหมที่ผมสู้มาผมภาคภูมิใจอย่างมากผมพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะเหตุไรเพราะว่าผมชนะเอาชนะตัวกิเลสตัวนั้นถ้าหากว่าผมเอาชนะจุดนั้นไม่ได้ผมคงจะไม่มาถึงจุดนี้ได้เมื่อผมเอาชนะจุดนั้นได้ผมจึงมาถึงจุดนี้เพราะนัจุดนี้ก็คืออย่างไรก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นวัดวาศาสนาเป็นที่รู้จักของคู่คนพอสมควร ถึงจะว่าไม่มีชื่อเสียงโด่งดังผมก็อยู่อย่างพระกรรมาฐานดูแบบสันโดษอย่างพวกท่านทั้งหลายได้ดูได้รู้ได้ศึกษาได้เข้ามาอยู่กับผมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่ผมพูดทั้งนี้ทางนั้นให้พวกเราเข้มแข็งแต่ทางนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ว่าพวกท่านอ่อนแอนะแต่ยิ่งเข้มแข็งยิ่งกว่านะั้นยิ่งดีและกัปฏิบัติตอนให้ดีอย่าไปคิดไปทางอื่นดูใจของตนเองแต่ละวัน สมาธิเป็นยังไงอย่างที่พกผมที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่าทำใจยังไงนั่งกับสมาธินั่งภาวนาพยายามบังคับตัวเองให้อยู่กับพุทธโธให้มากที่สุดเนี่ยงานของพระพุทธศาสนาที่หลงโอง่งหลงตามหมาบัวที่ท่านพูดว่าเราเคยทํางานมามากต่อมากงานหนักงานเบาในโลกเราสู้ทั้งหมดตางแต่ตากฝนงานทํารัว้วทําสวนทําไร่ทํานาว่าตากแดดว่าทนทุกขทรมาน แต่สู้งานที่เอาชนะใจของตัวเองเนี่คือบังคับสติให้อยู่กับตัวเองเนี่อันนี้เป็นงานหนักที่สุดเพราะนั้นเราทดลองในยสิว่างานตัวนี้เป็นเป็นยังไงเพราะนั้นพวกเราอยา่าดูถูกว่าพระเข้าบวทมาในพุทธศาสนาแล้วอยู่แบบสังกะตายอยู่แบบเออละเหยอยู่แบบมีมีจุดหมายปลายทางากินแล้วนอนกอนแล้วนินอันนั้นไม่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุธทธเจา้า ถ้าปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สู้เพราะนั้นท่านทั้งหลายต้องสู้ดูซิว่าเป็นอย่างไงมันจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สู้มาไหมผมเนี่เชื่อเหลือเกินเพราะผมเคยสู้มาแล้วแต่นั่งสมาธิบางคับใจตัวเองเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่สุดเพราะมันเหมือนกระตะคุบเงาแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าเรามีสติเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาแล้วมันก็เอาอยู่ได้ถ้าไม่อยู่ได้จะฝึกขัดให เป็นคนดีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านฝึกใจของพระ อ, องค์เองพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะร่างกายเป็นปพุทธเจ้าไม่ใช่ใจเป็นพระพุทธเจ้าต่างหากครูบาอาจารย์ของพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายก็เหมือนกันร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ใจของท่านท่านั้นเองเป็นพระอรหันต์เรื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนอยู่ที่ใจแห่งเพราะนั้น หลักของพุทธศาสนาที่เราเข้ามาบวชในครั้งนี้เข้ามาฝึกใจให้ใจของเราเข้มแข็งให้ใจของเรามีเหตุผลให้ใจของเรามีคุณค่าจะให้กิเลสเจียบจําทํำลายหัวใจเราถ้าว่าใจิตใจของเราอ่อนแอปวกเปียกกิเลสเข้ามาเหยียบจําแล้ว อ, อ, อยู่ชังกระตายเป็นวันๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะฉนั้นพวกเราให้ต่อสู้นะให้เข้มแข็งให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธเป็นหลัก ในเมื่อเมื่อเราบริกรรมเอาจริงเอาจังแล้วใจของเราไม่มีทางเล็ดลอดออกไปข้างนอกแล้วใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วคาว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องหาที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดเพราะนั้นพยายามาตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ผมบอกกล่าวแนะนา สอนพวกเราท่นทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิสิตหรือว่าพระที่บวชใหม่ให้หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายตั้ง อ, อกตั้งใจให้ปฏิบัติตามที่ผมพูดผมคิดว่าผมแนะนำหมู่พวกเพื่อนไม่ผิดก็แล้วกันเพราะผมได้ศึกษามาอย่างนี้ผมมั่นใจให้สติอยู่กับตัวเองให้ภาวนาในเมื่อเราเข้มแข็งเอาจริงเอาจังแล้วจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป คานิกาอุปจาระอัปปนาในที่สุดจากนั้นเมื่อจิตเป็นสงบเป็นหนึ่งเดียวจิตสงบเต็มที่แล้วจิตของเรามีเหตุผลจิตใจของเราไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆความเงียบเหงาเศร้าซึมจะไม่มีมีแต่จิตใจเบิกบานเช่มชื่นอมองเห็นเหตุและเห็นผลมองรอบด้านรู้จักเหตุและผลควรทำยังไงควรพูดยังไงควรคิด คิดยังไงคิดนั่นก็คือสมาธิแหละควรทำยังไงควรพูดอย่างไรจะมีเหตุผลในตัวของเราเสร็จจากนั้นพิจารณาถึงเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วจิตอิ่มตัวแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาอะไรในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าตะนะัณนให้พิจารณากายให้พิจารณากายในพิจารณาอย่างไรถ้าหม อ, อวิชาอาชีพหมอ ที่ศึกษากา ย, ยวิภาคเพียงแต่ดูว่าตามีหน้าที่อะไรมีเส้นประสาทกี่เส้นออมีจออย่างไรออมีเส้นประสาทอย่างไรมีกี่สีมีความจําเป็นใช้สียังไงจมูกเส้นประสาทของจมูกรับรู้อย่างไงตับมีหน้าที่อะไร ปอดมีหน้าที่อะไรหัวใจมีหน้าที่อะไรอวัยวะลําไส้แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรในอ ว, อวัยวะของพวกเราตั้งแต่หัวจดเท้าผมมันเกิดมาจากที่ไหนมีหน้าที่อย่างไรมีเซนยังไงอยู่ในตัวนั้นมันที่มันงอกเกยขึ้นมาได้ผิวหนังมันอยู่ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้คือเป็นหน้าที่หรือว่าหน้าที่หมอได้ศึกษา ให้ศึกษาดูหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะนั้นๆทำหน้าที่เป็นอย่างไรอย่างเล็บอย่างนี้ทำไมมันงอกออกมามันมีตัวไหนก็ต้องศึกษาคือคือหมอศึกษาอย่างนี้แต่ในหลักของพระพุทธศาสน า, ศาท่านให้พิจารณาอย่างไรให้พิจ า, ารณากายมันต่างกับหมอคือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พิจารณากายนะั้นต่างจากหมอน่คือ ตรงที่ว่าท่านให้เห็นร่างกายทุกส่วนอย่าว่าเกศาคือผมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินที่พวกยมเขาสวดที่บ้านห้วยทรายอยังโคมเอกายโยกายของเรานี่แลตั้งแต่หัวจนจุดเท้าให้พิจารณาอย่างไรในหลักของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้พิจารณาเกศาผมโลมาคุณนักคาเลบทันตาฟันตะโจหนังคือไม่ให้หลงไหล ในอวั ย, ยวะของพวกเราตั้งแต่หัวจนเท้าแต่หาว่าพวกเราหลงผมว่าสวยงามกิเกลสราคะก็จะเกิดขึ้นความกำนัดยินดีก็จะเกิดขึ้นเวลาเราเห็นหนังเราเห็นหนังผูดผาดเราก็ติดในหนังว่าสวยงามเราก็หลงหนังเราเห็นตรงจมกูกเราเห็นตาเราเห็นเล็บ เราเห็นฟันกระปุกเซขึ้นมาว่าสวยงามเมื่อปลูกเซขึ้นมาเพื่อสวยงามแล้วตามมากิเลีก็เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าสวยงามแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าให้แยกส่วนดูสิถ้าว่าเป็นผมถอนผมสมมตินะถอนผมทั้งหมดออกจากหัวหลังไปกองเอาไว้ที่ว่าผมสวยๆกองเอาไว้ถอนขนทั้งหมดทุกเส้นเอาไปกองเอาไว้ ถอดเล็บทุกเล็บมือเล็บเท้าเอาไปกองไว้ถอดฟันของเราทุกสี่เอาไปกองไว้ถลกหนังของเราเออกไปกองไว้แล้วก็ช้าแผลเนื้อของเราเอาไปกองไว้ถอดเอ็นทุกเส้นไปกองไว้ถอดกระดูกเป็นท่อนๆเอาไปกองไว้ตากนั่นก็ตับไตลําไส้ปอดเอาไปกองไว้แต่ละอันละอัน แล้วให้เราดูว่าความสวยงามมันอยู่ที่ตรงไหนเป็นของทจิรังถาวรใหม่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาไปอย่างนั้นไม่ให้ท่านมาในพิจารณาเหมือนกับแพทย์หรือหลักวิชาหมอที่ว่าอวัยวะทุกส่วนทําหน้าที่อะไรหัวใจทําหน้าที่อย่างไรปอดทําหน้าที่อย่างไรอันนั้นคือเราศึกษาในการทําหน้าที่ของอวัยวะแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านให้เห็น อวัยวะทุกส่วนเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจแล้วเจ็บเจ็บแตายอวัยวะทุกส่วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าว่าเป็นของเราจริงผมอย่างอกนะฟันอย่าหลุดนะหนังอย่าเหี่ยวนะอตาอย่าฟ้าฟางนะอย่างเนี้ยตับอย่าเป็นโรคนะไตอย่าเป็นโรคนะอย่างเนี้ยปอดอย่าเป็นโรคนะอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้ ในเมื่อห้ามมันไม่ได้บอกมันไม่ฟังจะเป็นของเราได้อย่างไรเรานั้นคือใครต้องแยกให้ออกแต่หลักวิชาแพทย์วิชาหมอรไม่ได้ดูว่านามธรรมมันคืออะไรเพียงแต่ว่าสมองเป็นตัวคิดตนเองแต่ในหลักของพุทธศาสนานี่ท่านเน้นหนักเรื่องตัวนามธรรมเป็นจุดใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากนามธรรมตัวนี้ที่ไดเป็นพระพุทธเจา้าเขาไม่ใช่วรรจร่างกายเป็นพระพุทธเจา้าใช่เป็นพระพุทธเจ้าคือส่วนประกอบของใจ ถ้าว่าใจเป็นกิเลสยังใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะเต็มอยู่ในใจแล้วร่างกายจะเป็นพระโพธิเจ้าไม่ได้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่ว่าที่กายเป็นพระอรหันต์ก็เพราะใจข อ, ของท่านเป็นพระอรหันต์ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์ท่านจึงเป็นพระอรหันต์เมื่อใจเป็นพระอรหันต์แล้วตาหูจมูกลิ้นก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะเป็นบริวารของใจดวงนั้น พราะนั้นที่เราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาบวดในครั้งนี้ให้ศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจของเราอ่อนแอข้อใจของเราปลวกเปียกใจของเราไม่มีเหตุมีผลแล้วใจของเราเหมือนกับไม้ปักขี้เลนแล้วมันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าใจของเราเข้มแข็งใจของเรามีเหตุมีผลใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างตามหลักของ ที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมาธิเอาสมาธิที่จิตแน่วแน่ที่จิตนิ่งแล้วนะจิตที่สงบแล้วนะมาพิจารณาจับตัวไหนอยู่ตรงนั้นพิจารณาเอไหนแน่วอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านแล้วจะพิจารณาอะไรไม่เห็นหรอกไม่เห็นร่างกายเห็นอะไรก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะฉนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขเข้ามาสู่ ความรู้ความฉลาดเรื่องราวต่างๆได้ในหลักของพระพุทธศาสนาสมาธิเป็นเบื้องต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้คือท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่ผมได้กล่าวจากนั้นจิตสงบแล้วนามาพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ท่านไม่ได้ให้เห็นแบบว่าอาการของกายมีหน้าที่อะไร ไม่ใช่หยุดเพียงแค่นั้นให้เห็นตนถึงว่าร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งถึงจะดูเลี้ยงอิ่มดีพีมันรักษาดีขนาดไหนตามหลักวิชาแพทย์วิชาหมอจะรักษ า, าดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็ต้องมีจุดจบวันหนึ่งจะต้องแตกสลายวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนันตา ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ผมพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนอย่างนี้ในเมื่อเห็นสิงทั้งหลายทั้งปวงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะต้องแตกสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินคืออะไรดินคือของแข็งกระดูกดเป็นของแข็ง คือธาตุดินธาดน้ําก็คือปัสสาวะเลือดอพวกเราแยกตัวให้ดีก็แล้วกันอันจริงเป็นที่ของเหลวคือธาตุน้ําทั้งหมดอย่างน้ําดีอย่านี้ก็เป็นเป็นน้ําไขมันอย่าน้เป็นน้ำดินน้ําลมลมกับลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องลมในลําไส้อ่ที่เราผายลมออกมาเดินลมมนท้องกุกกะ อันนี้แปลว่าธาตุลมอยู่ในร่างกายลมมันมีส่วนหายใจเข้าไปมันเป็นพลังที่จะดัน เ, เลือดออมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟไฟก็คืออะไรไฟก็คือร่างกายให้อบอุ่นมันมีไฟอยู่ในร่างกายของเราถ้าว่าไฟของเราในร่างกายของเราธาตุไฟดับร่างกายนั่นก็อยู่ไม่ได้ ร่างกายก็เย็นเสียบไปหมดร่างกายนีของเราหมดธาตุไฟเพราะฉะนั้นทั้งธาตุไฟทั้งถาดลมทั้งถาดน้ําทั้งถาดดินมันอยู่ในกายนี้อีกซักวันหนึ่งทั้งสี่ถาดนี้จะต้องแตกสลายลงไปสู่ดินน้ํำลมไฟดินจะละลายช้ากว่าเพื่อนคือเป็นกระดูกอ ย, อย่างพวกเราเห็นกระดูกไนโตเสาร์บางกระดูกบ้านเสียงบางอย่างนั้น แหกรดูไปที่หลังก่อนส่วนน้ํำลมไฟนะั้ำละเลี้ยงละลายไปตามสู่สภาพของหมันนี่แหละอันนี้คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจคือตัวนามธรรมนั้นที่คลองล่างอยู่นะั่นแหมเหมือนกับพรถคนกับพรถอย่างนั้นแหมผมพูดทีไรผมก็บ่าร่างกายกับใจเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างอื่นก็ไม่ถนัดใจถ้าเปรียบพรถกับคนกับรถเนี่ยเห็นจะเห็นได้ชัดกว่าพรถมันเป็นยังไง คนขับรถนั้นเป็นยังไงคนขับรถก็คือนามมทธรมก็คือใจนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่จะเป็นคนติดีคนดีเป็นคนร่ําคนรวยเป็นคนยังไงคือเจ้าของรถส่วนรถนั้นเป็นมือสองเป็นเรื่องราวของคนคนรถคือเจ้าของของรถจะให้เป็นยังไงจะให้ทํำยังไงเออันนี้ก็คือ คือร่างกายของแต่ละคนเหมือนกับรถส่วนจิตใจเนี่ยเหมือนเจ้าของของรถเราเรืมาอย่างนี้ตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้องแม่ของเราออกมาติดตดที่แรกเรายึดคลองมารถคันนี้เรานั่งออกมาขี่ออกมาจากท้องแม่เราหยุ่ตลอดมาเราอยู่นั่นกายกับใจมันเป็นของคู่กันมาอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราที่มาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติในครั้งนี้เข้ามานั่งสมาธิให้ดูใจไอ้ตัวจับจยักยักเนี่ยนะตัวทรมานยักยักเนี่ยตัวที่มันออกไปข้างนอกจับมันไม่ได้เลยบางทีทํำให้ร้องห่มร้องไห้บางทีทําให้เศร้าโศกเสียใจทําให้กลุ่มอกกลุ่มใจอย่างนี้มันตัวไหนเนี่ยตัวใจเนี่ยเพรานั้นพวกเราเอาสมาธิจับให้ได้จับดูซิเป็นยังไง ถ้าว่าจับดูใจของตัวเองได้แล้วรู้ใจตัวเองได้แล้วฝึกหัดตัวใจได้แล้วทาจิตใจให้ตัวเองให้สงบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนได้แล้วนั่นแหละทีนี้ใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมจากนั้นก็ชำละใจของตัวเองใจของดวงนี้มันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้อารมณ์ที่โมโหโธโสฉุนเฉียวเสียอกเสียใจอันนั้นเป็นโทสะ ตัวไหนมีความรักความใคร่อันนั้นเป็นตัวราคาแต่ตัวราคาก็ดีตัวโทสะก็ดีมันเกิดขึ้นมาจากความหลงโมหนะนี่คือความไม่รู้ถ้ารู้จะไม่หลงถ้ารู้จะไม่โกรธถ้ารู้แล้วจะไม่รักถ้ารู้แล้วจะไม่ลุ่มหลง ม, มัวเมาถ้ารู้แล้วจะไม่เศร้าซึม โศกเศร้าเสียใจถ้ารู้แล้วนิสัยซึมเศร้าก็จะไม่เกิดขึ้นพราะเรารู้แล้วอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยกิเลสเข้ามาหลอก เ, อ<ม>เดี๋ยวก็จะสนุกสนาน<ม>เดี๋ยวก็ร้อ ง, อองห่มร้องไห้ เ, <ม>เดี๋ยวก็หัวเราะมันมีได้ทุกรูปแบบเพราะกิเลสในใจของเรามันออกมาหลอกมาลอ่อ<ม>ปั่นป่วนใจของเราให้ออกหลาย รูปแบบเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาศึกษาในครั้งน้ให้ทั้งอกตั้งใจนะอย่างที่ผมได้กล่าวสมาธนะิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญฝึกหัดการก้าวเดินตั้งแต่ปัดกวาดกับพุโทโธพุโทโธเดินบินธบัตขาซ้ายพุดขาขวาพุทขาซ้ายโธพุโทโธไปเรื่อยนะนเวลาเดินโยกงกลมก็พยายามเดินบางท่านบางองนะบางท่านบางคนน ะ, ะก็ถูกจริตกับการเดิน เวลาเดินเดินโยกรมจิตใจปลอดโปร่งปัญญา ว, วิ่งเวลาเราเดินยยกรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธมันยังปุงฟุง้งเราพยายามกำหนดให้เห็นร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกทั้งหมดอพอเราเป็นนิสิตแพทยเราเคยศึกษามาแล้วเราเห็นกระดูกของเรา ใช่ไหมแต่บางคนก็กลัวผีอีกจะไปกลัวทำไมตัวเองนอนเฝ้าโครงกระดูกตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะไปกลัวทำไมนอนเฝ้าอยู่กระดูกใช่ไหมเรานอนเฝ้าโครงกระดูกของเราใช่ไหมกระดูกของเราเป็นโครงกระดูกใช่ไหมเราเฝ้าโครงกระดูกของเราอยู่ใช่ไหมป่าช้าเ็าอยู่ในท้องของเราใช่ไหมเออไม่รู้ว่าหมูหมากาไก่วัว ควายเนื้อมันนะอยู่ในท้องของเราถ้าเรากลัวปลาชา้าเราก็ต้องกลัวท้องของเราอันนี้จริงไหมที่พูดอย่างนี้ เ, นเราคิดดูก็แล้วกันไม่รู้ปลาไม่รู้เท่าไหร่กบเขียดไม่รู้เท่าไหร่อยู่ในท้องของเราท้องของเรานะั่นคือปลาชา้าปลาช้าแหลงใหญ่ที่เดียวยอยู่ในนั้น ถ้าเรากลัวเราก็นอนเฝ้าโครงกระดูกของเราใจเฝ้าโครงกระดูกของเราอยู่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใช้ปัญญาใช้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสความกลัวกิเลสราคะโทสะโมหะมันกระเด็นกระดอนไปหมดขนาดร่างกายของเรายัางไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดอย่างอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรคนอื่นก็คือคนอื่น ขนาดร่างกายของเราก็ยังแตกสลายลงสู่ดินน้ำหล่มไปยังเป็นของอสุภะปฏิกูลแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิเป็นยังไงทางคนอื่นเขาก็แบ่งแยกส่ว น, แ บ, วนแบ่งส่วนเขาอื่นเป็นยังไงทีนี้พอมาดูอย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอันนี้คืออนั้น์อ น, นั้นคืออนั้นยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาก็ได้มา สูร่างกระดูกที่โครงกระดูกที่ของอสุภปฏิคูลนั้นมันก็ไม่เยอะจริงไม่มันก็ไม่จองหองใจของเรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวแต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นคนอยู่เราจึงมีชีวิตอยู่เราทาหน้าที่อะไรในขณะนี้เราเป็นพระเราก็ทำหน้าที่พระให้ดีที่สุดในเมื่อเราไปเป็นหมอเราก็ทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุด อย่าไปจองหองพยองพองตัวว่าค่าเนี่ยจะไม่เกิดค่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายค่าจะไม่เป็นไม่สู่ดินน้ําลมไฟเหมือนขนทั้งหลายอย่าไปคิดอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นในเราอยู่ในสถานะไหนทําดีที่สุดเราเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดใ ห, ให้รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักวงศาคะนาญาติทําหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อต่อไปเราได้เป็นพ่อแม่ของเขาเราก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดให้เป็นฮีโร่ของลูกเพราะฉั้นให้เป็นตัวอย่างของลูกทำตัวให้เป็นคนดีอย่าทำเป็นะทําทความเลวให้ลูกเขาดูเราต้องเป็นทำดีให้ลูกเป็นตัวอย่างในเมื่อเราเป็นลูกของพ่อแม่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุด อย่าให้พ่อแม่หนักอกหนักใจในเมื่อเราเป็นพลเรือนของชาติประชาชนของชาติเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์สากยบุตรพุทธชินโนรถเราก็ทําหน้าที่ของพระให้ดีที่สุดอย่าทําให้พุทธศาสนาเปื่อนเปิดเลอะเทอะเสียหายเพราะเราทําให้ถูกต้องไม่เหมาะสมนี่แหละ ถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอันไหนเป็นอันไหนเราจะแยกแยะให้ออกความจองหองพยองพองตัวจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเห็นแล้วอันนี้คืออะไรตาคือตาหูคือหูจมูกเลี้นคือกายคือใจอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายลงสู่ที่น้ำหลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทําดีที่สุดจะไม่ให้ใครเดือดร้อนจะไม่ให้หนักกกหนักใจแก่ใครทั้งหมด ไปที่ไหนเราพิจัดสั่งสมคุณงามความดีให้คนสงเคราะห์คนเกื้อกูลหนุนชุมชนและสังคมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ไปเห็นที่ผลงานของผมเม็นใหม่การสร้างเจดีกว่าดิเจดีของหลวงปู่หลานกับผมเลยเป็นประธานในการก่อสร้างแล้วของคุณแม่แก้วนี่มันกันฝ่ายสงฆ์กับผู้อผมแต่ผมไม่ได้อวดได้อ่าง ผมก็คิดว่าผมทาดีที่สุดอีกสักวันหนึ่งผมก็จะต้องทิ้งร่างกายของผมลงสู่แผ่นดินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจะต้องทำดีที่สุดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทั้งผล ง, งานทั้งลงล้ำลงเรียนทั้งโรงพยาบาลช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรนี่แหละผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองอผมพูดดังนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ยกผมแล้วก็ให้หมูดูค่าในเป็น ฮีโร <Hey>, mm ่ hmm. เป็นผู้เลิอดประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นคือผมในเกียตนาดีที่สุดอยากจะช่วยหลือชุมชนและสังคม mm hmm. แล้วก็ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะที่ผมทำไปแล้วนะเ yeah. อันนี้นก็คือประสานผู้คนเป็นสะพานบุญเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ซื่อสั ต, สตย์ ต, ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้จงรัก พักดีต่อสถาบันชาติศา Boo. สานาะพระมหากษัตริย์ให้เป็นคนดีสรุปแล้วเพื่อนั้นพวกเรา <Yeah. S 1> ทุกๆท่านนะผมได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพวกเรา mm. และะ้วก็พวกเราได้ทัศนศึกษา <Okay. S 2> ไปอย่างที่พวกเราได้เห็นได้ผ่านมาจากนั่นก็ให้เป็นผู้เข้มแข็งให้เป็นผู้มีเหตุและผลใช้สติใช้ปัญญาพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เป็นไม้ปักขี้เลนหากฎเกณฑ์ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นก็ว่าจะดีไปอยู่ที่นี่ก็ว่าจะดีตัวเองไม่ดีจะดีได้ที่ไหนก่อนที่จะดีก็ดีที่ใจพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าเป็นร่างกายพระพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจา้าใจของพระพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนชําระกิเลสชำระใจพระ อ, องค์ซะก่อนหมดกิเลสในใจซะก่อน ตาหูจมูกริ้นกายก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นพระอระหันต์ด้วยเพราะใจของท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาเนี่ยคือคือมาศึกษาใจให้ใจของเราเข้มแข็งให้ใจของเรามีเหตุและผลใจของเราเอา่อมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจมีธรร ม, มะอยู่ในใจธรร ม, มะคือหลักเหตุผลอยู่ในใจไปอยู่ในสถานที่ใดไปนะที่ใดมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ แต่พวกเราเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหนะนล้ไปที่ไหนใครก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมไปพูดกับใครเขาก็เบินหน้าห น, นีทั้งหมดเพราะเหตุลายเพราะกิเลสใครๆก็ไม่ต้องการขากิเลสในหัวใจของเขาก็มีเต็มอยู่แล้วพวกเราจะไปเอากิเลสประโยชน์ให้เขาอีกเขาคงไม่ต้องการแน่นะอันนี้ผมพูดในวันนี้ก็ยืดยาวพอสมควรขอจุติในการพูด การแสดงในวันนี้ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัดที่นะ่ะ